ทวนอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าศีลวิสุทธิ์ทนี่คืออะไรคือจตุปาริสุทธิ์ที่สีนความบริสุทธิ์แห่งสีสี่ประการปาริสุทธิ์แปล ว, ว่าความบริสุทธิ์เนี่ยนะความบริสุทธิ์แห่งสีสี่ประการมีอะไรบ้างปาติโมกขสังวรบริสุทธิ์กายวาจาบริสุทธิ์สองอินทรียสังวรรับอารมณ์ในทวารหกก็ปิดห้ามบาปไม่ให้ไหลเข้ามาได้นะปัจจยปริกาหายาปัจจะยปริกา อปัจยะสันนิสิตศีนก็คือพิจารณาปัจใจสี่ที่บริโภคใช้สอยอ น, นะแล้วก็ปัจใจสี่ที่ได้มาก็ได้มาอย่างถูกต้องไม่ไปทุจริตมาไม่ไปทําทุจริตกรรมจึงได้ปัจจัยมาเรียกว่าอาชีวะปาริสุทธิศีลเพราะนั้นความบริสุทธิ์แห่งศีลทั้งสี่ประการชำระความเศร้าหมองคือความทุศีนคือความโทุแปลว่าไม่ดี น, นะศีลที่ไม่ดีเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่าถ้าเหมือนจะสร้างบ้านสร้างเมืองก็จะว่าชำระแผ่นดินชำระพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะชำระพื้นที่อย่างเรียบร้อยพอที่จะสร้างเมืองได้สําเร็จก็คือชำระพื้นที่นั่นแหละศีลวิสุทธิ์ก็เหมือนกับชำระพื้นที่เพื่อจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอะไรทั้งหลายเลนั่นแหละเรียกว่าศีลวิสุทธิ์ฐานดีอย่างคนที่จะสร้างบ้านสร้างตึกอะไรทั้งหลายแลยเนี่ยนะเรื่องที่ดินนี้ต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยฉันใด ศาสนานี้ก็ให้ความสําคัญที่ดินคือศีลเป็นลําดับต้นฉันนั้นเนี่ยนะลำดับต้นฉันนั้นในะ น, น, นี้ศีลที่ดีก็แปลว่าเท่ากับแผ่นดินที่ดีเหมือนกับว่าแผ่นดินที่ดีเสาเข็มเสาอะไรก็ลงได้เรียบร้อยฉันใดศีลวิสุทธิ์ก็ฉันนั้นเนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่มั่นคงจริงๆสามารถที่จะรองรับตึกกี่ชั้นดีกี่ชั้นกี่ชั้นตรงนี้ยกเต่าชั้น ตรงนี้ยกมาเก้าชั้นเนี่ยโอ้ยปราสาทเก้าชั้นนี่ก็พิเศษแล้วเนี่ยนะไมได้เก้าชั้นอนะเนี่ยเอาแบบมั่นคงไม่วันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ย น, ย น, น, นะท่านประธานตัวนั้นเนี่ยนะเขาแบบประธานแปลว่าความเพียร น, นะโดยสับประธานนี้ประธานนะเนี่ยแปลว่าความเพียรความเพียรที่ที่สูงสุดแห่งความบริสุทธิ์ มันเป็นการกระทําเป็นความเพียรเป็นที่ตั้งเป็นประทานที่สูงสุดแห่งการปฏิบัติเลยนี่คือศีลเป็นเรื่องแรกนะศีลเหมือนกับแผ่นดินศีลเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินทุกๆสิบห้าวันน่ยนะพระพิสูจน์เนี่ยนะ ท, ท่านจะสวดอะไรสวดปฏิโมกเนะ้ยมันจะฟังปาฏิโมกสวดปาฏิโมกสิบสี่คั่มหรือสิบห้าคั่ม แปลว่าเดือนละสองครั้งพูดแบบภาษาชาวบ้านหน่อยบอกว่าท่านก็เท่ากับว่าท่านเอาโฉนดที่ดินมาอ่านกันหลังเรามีทรัพย์สินเท่าไหร่เนี่ยก็เอาโฉนดที่ดินมาอ่านกันนนะั่นแหละนะฟังปาติมโกมก็หมายว่ามาทบทวนว่าโฉนดที่ดินแต่ละที่เป็นยไงถูกยึดหรือยังเนี่ยนะจะไถคืนได้ยังไงเนี่ยนะเป็นต้น น, ะนั่นแหละการฟังปาติมโม ก, ก็คืออ่านโฉนดที่ดินว่ามีพื้นที่อยู่เท่านี้นะที่ทํากินของเรามีอยู่เท่านี้นะ เอาที่เอามาสาธยายกันเฉยๆก็227ไร่อะไรก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปนก็ น, ป น, ะนะก็อ่านโฉนดที่ดินนะนะแต่ละแปลงแต่แ ป, แปลงแปลงไหนถูกยึดบ้างแล้วแปลงไหนถูกโกงไปแปลงไหนเป็นยังไงอะไรไปเลยนะทัานธาศีลดีใจก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าศีนนำมาซึ่งอวิปฏิสารนะอานาทิชากับอัพยาบาตก็เกิดขึ้น อันนั้นอวิปฏิสารน์นี่ก็คืออับพยาบาทนั่นเองก็ไม่พยาบาทไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกินแหนงแคลงใจตัวเองอันนั้นอันก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เป็นใจที่เรียกว่าตั้งมั่นเป็นประทานเหตุใกล้ของการใช้ปัญญา <S <S คือเอางี้หน่ว่าสมมติถ้าพูดแบบชาวบ้านเลยนะถ้าที่ดินเรามีปัญหาตลอดเลยเยเราจะมีความสุขไหมแล้วเราจะสร้างอะไรสักอย่างบนที่ผืนนั้นเนี่ยมันเป็นไง เลือดร้อนใช่ไหมฉันใดถ้าศีลไม่ดีใจก็ฟุ้งซ่านเมื่อใจฟุ้งซ่านจะเอาที่ตรงนั้นจะเจริญสมถาวิปัสสนานะตรงนั้นมันก็ยากเนี่ยนะโดยเฉพาะเจริญวิปัสสนาแล้วยิ่งยากทันทิทีวิสุทธินั้นเป็นความเห็นของการกําหนดปัจจัยเอ่อการกําหนดนามรูปตรงนี้ท่านบอกว่าที่ทวิสุทธิคือการกําหนดการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยเรียกว่าความเห็นที่บริสุทธิ์รอบรู้นามรูปด้วย ไอ้ปัจจัยของนามรูปคืออะไรรู้ไหมมันมีอะไรเกินนามรูปมั่งก็นามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามเป็นปัจจัยแก่นามมั่งรูปเป็นปัจจัยแก่รูปมั่งรูปเป็นปัจจัยแก่นามนามเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งนามทั้งรูปเป็นปัจจัยแก่นามทั้งนามทั้งรูปเป็นปัจจัยแก่รูปสรุปว่านามรูปเป็นปัจจัยแก่นามรูปกําหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยก็กำหนดนามรูปเป็นปัจจัยแก่นามรูปนั่นแหละมันก็มีอยู่เท่านี้แหละโลกนี้ สังคตะธรรมนะมันก็มีแค่นามปรบรูปมันนะถ้าจะเอาหนึ่งนะนับหนึ่งจริงๆก็มีแต่นามรูปนามปัญจะรูปปัญจามันก็มีอยู่เท่านี้แหละอกําหนดนามรูปพร้อมทั้งตัดจจัยของนามรูปก็คือกําหนดแปลว่ากําหนดนามรูปที่เป็นเหตุออกกําหนดนามรูปที่เป็นผลออกว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลเนี่ยนะก็ถ้าแบบถ้าพูดแบบภาษ า, านี้นะก็เหมือนกับว่าคนเนี่ยรู้แยกออกว่าใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นลูกแค่นั้นแหละอันนั้นแล้วใครเป็น แล้วเขาบอกว่าถ้าถามว่าคนนี้พ่อแม่คนนี้มีลูกคนนี้แล้วคนนี้ก็มาเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็มีลูกแล้วพ่อแม่ลูกคนนี้ก็มาเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกมันก็แล้วใครเป็นลูกใครใครเป็นพ่อแม่ใครฉันใดปัจจัยทั้งหลายสังคตธรรมทั้งหลายก็ไหลสืบเนื่องกันไปลักษณะนั้นอ่ะโดยความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลตอนแรกตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นเพราะผลของเหตุพอตัวเองมาเกิดสําเร็จปั๊บเป็นปัจจัยอีกแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยพอเป็นปัจจัยปั๊บ ก็ให้ผลเกิดขึ้นผลตัวนั้นก็กลายมาเป็นปัจจัยสังสารวัตก็สืบเนื่องกันไปอย่างนี้แหละเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่มีอะไรเป็นเหตุแท้และก็ผลแท้อย่างอวิชชาก็มีอะไรเป็นปัจจัยบอกมีอาสวะและอาสวะมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีอวิชชาอวิชชากับอาสวะเป็นปัจจัยจึงมีสังขารันนสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเนี่ยนะพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยตามสืบเนื่องกันไปอย่างนี้แหละ เราเข้าใจอย่างนี้โดยสามัญยสํานึกจริงๆไหมนั่นแหละเป็นทิฏฐิสุทธิเป็นความเข้าใจที่ไม่รู้เอาอะไรมาเปลี่ยนความเห็นอันนี้เราได้อีกแล้วนะเราเข้าใจอย่างนี้โดยสามัญยสํานึกไหมหรือว่าแบบแหมนานๆครั้งเอากล้องมาส่องทีนเออใช่ใช่แล้วก็เลิกเลยไม่ใช่แบบนั้นอันนี้หมายความว่าเป็นความเห็นที่จะเตืนอนยังไงฝันยังไงก็เข้าใจแบบนี้ไม่เผลอ นั่นแหละเป็นที่ถีวิสุทธิเป็นมองเห็นมองมองนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยขันอายตนาธามันเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วแทบไม่ต้องนึกเลยอย่านะอย่างสมมุติถ้ามองเห็นใครเนี่ยต้องนึกชื่อไหมว่าเขาชื่ออะไรแต่ถ้าชํานาญในการเห็นเนี่ยนะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนี่ยนะต้องลําบากนึกไหมยากไหมหนักใจไหมที่จะต้องนึกเป็นต้นฉันใดใครที่วิจัยขันธาตุอายตนะเป็นต้นเนี่ยไม่แทบไม่ได้หนักอกหนักใจอะไรเลย ผู้ใดเห็นรูปขันผู้นั้นเห็นเวทนาขันถ้ารู้รูปจริงถ้าผู้ใดเห็นเวทนาขันคนนั้นก็ต้องเห็นสัญญาขันใครเห็นสัญญาขันจริงก็ต้องเห็นสังขารขันเห็นสังขารขันจริงมันก็ต้องเห็นวิญญาณขันเพราะขันห้ามมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วขันห้าในอดีตขันห้าในอนาคตขันห้าที่เป็นปัจจุบันขันหยาบขันละเอียดขันเลวขันประณีดขันไกลขันใกล้ถึงกันก็วิจัยไม่ได้ยากเรียนอะไรหรอกไอ้ที่มันยากเราไปบอกว่ามันยากเอง คิดว่ามันยากให้ว่ามันยากยากก็เลยไม่อยากจะคิดเพราะมันยากก็เลยบอกพูดถึงก็เลยเครียดตั้งแต่ฟังแล้ ว, วอย่างนั้นนะะแต่ไอเชื่อไหมกิจกรรมการท่องเที่ยวเขามาว่ามันยากจะตายแต่ทําไมเราก็ให้ความสำคัญเหมือนมันสนุกเลิศเตินอย่างนั้นเนี่ยเล่นเกมนี่เล่นยากนะมันเล่นกันได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่บอกว่ายากไงมันง่ายนี่ก็เหมือนการไอคนยากก็คือคนไม่มีศรัทธา การพิจารณาธรรมะเหล่านี้ถ้าเราค่อยๆ ค, คิดตามท่านนะเราอย่าไปคิดแบบเราสิเราต้องคิดแบบท่านเราต้องคิดตามพระพุทธเจ้าคิดจนแบบมันกลมกลืนกันนะ่ะไปอยู่ต่างประเทศก็กลมกลืนกับพวกต่างประเทศฉันใดเราศึกษาธรรมะเมื่อไหร่เราจะกลมกลืนตามพระอริยะบ้างหรือเราจะเราแบบเราท่านก็แบบท่านเวลเรากับท่านมันคนละพวกกันใช่แล้วทางนั้นก็อนุรักษ์นิยมปุถุชนถาวรเนี้ย เราก็ต้องคอสอดคล้องค่อยๆเห็นตามท่านคิดแบบท่านอะไรแบบท่านท่านทําไมท่านคิดอย่างนั้นเออท่านเห็นได้ยังไงท่านเข้าใจได้ยังไงสอดคล้องตามท่านพยายามเห็นตามท่านยินดีที่จะคิดแบบท่านน่ะไม่นานเดียวเราก็เป็นเองเช่อเหอเนะเดี๋ยวไม่นานเดียวเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆปัญหาว่าเรามันแข็งทาแข็งตัวแข็งกระด้างนั่นแหละมันไม่ไปอ่ะเพราะมันไม่เห็นน่ะไอคุณไม่เห็นนึกคุณไม่อยากเห็นกันแน่อ๋อคุยไปคุยมาบอกเขาไม่อยากเห็นหรอกเนี่ยนะ แต่เขาอยากกัฟังแล้วก็จะได้หาเรื่องคุยไปอย่างนั้นโอ้เสียดายเวลาเนี่ยนะเกือบตายแล้วนะคุยไปครึ่งชั่วโมงก็หมดเวลาชีวิตไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเสียดายเวลาชีวิตใช้บุญเก่าเปลืองมากเอาเปลืองยิงนะเนี่ย<ม>เพราะเวลาจาคิด เ, เวลาชีวิตเกิดมาทุกคนมันจํากัดใช่ไหมดูที่เอาไปใช้ทําอะไรไม่เสียดายเวลาชีวิตกันบ้างเลยหรือบย่างงี้ยนะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เหลือเท่าไหร่มันก็เหลือนิดเดียว ไอ้ที่ผ่านมามันแน่นอนแล้วใช่ไหมเออผ่านมาสามสิบปี เ, ออเกิดมาแล้วสาสิบปีแน่นอนไอ้ที่เหลือเอาอะไรมารับรองเนี่ยนะไอ้คนรุ่นหลังเขาก็ไปกันก่อนนั่งเยอะแยะไปหมดแล้วเรามัจะมาอยู่ได้ยังไงใช่ไหมแล้วชีเวลาที่เหลือนี่เราจะได้สาระแก่นสารอะไรมั่งเป็นต้นเนี่ยต้องหาสาระให้ได้นะถ้าหาสาระไม่ได้นะชาตินี้มาเจอพระาศาสนาแล้วไม่ได้สาระอะไรกลับไปเนี่ยนะเหมือนกับว่านี่มันเป็นโอกาสทองที่สุดเกิดบนแผ่นดินทองแล้วไม่มีกินเนี่ก็ถือว่าหนักสาหัสที่สุดแล้ว ฉันไิไหนเกิดมาในสมัยมีพระศาสนายังขนาดนี้แล้วก็ท่านไม่ได้อะไรกลับไปเนี่ยนะน่าเห็นใจเลยแหละเกิดมาชาติใหม่เนี่ยนะนั่งคำถามว่าก็มากลัวอะไรที่สุดในโลกนี้กลัวจะไงก็ได้ที่กลัวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจริงกลัวจริงนะกลัวยิ่งกว่ากลัวผีกไปให้ไปอยู่ป่าช้าไม่กลัวนะแต่ว่าถ้าให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเอาไหมบอกโอ้โหเป็นนี่มันสาบกัน ช, ชัดเลยเนี่ยทําไมแช่งแช่งหนักขนาดนี้เหมือนกัน ต้อให้มันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กไม่ไหวกลัวจริงเลยนะเนี่ยกลัวมากอผู้ใด ย, ยังแคบผลลุกเหมือนกันทำไมกลัวรู้ไหมเพราะว่ากลัวอะไรกลัวมาทําบาปไม่ใช่อะไรครั้งเนี้ถ้าสมมุติถ้าพลาดแล้วไปไหนเขาเนี่ยนะโอ้ยคดียาวเลยกันะี้คิดดูนะสมมติถ้าดวงที่เจ็ดท่าที่ทําไว้ชาติหนึ่งมันให้ผลนะให้สองถึงหกดวงที่อดีตเป็นต้นมันตามมาหมดเลยอะ่ะ แล้วว่าสมมติว่าท่านหลุดไปอบายเมื่อไหร่แล้วก็โหอย่างอื่นตามมาหมดแม่มนุษย์เนี่ยนะอย่างผู้ที่ไปสุขติมันน้อยเพราะอะไรเพราะคนที่มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เนี่ยมันน้อยมนุษย์ยุคต่อ ต, อตอไปเนี่ยคิดหรือว่ากลับมาใหม่จะนับถือพระรัตนตรยัยยากเพ่านั้นนะแค่เขาพูดว่าพระพุทธเจ้าคือคนสําคัญของโลกเท่านั้นเองเขาใช้คําว่าคนสําคัญของโลกเท่านั้นเอง ก็แปลว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเจงกิสขันไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอีกหลายๆคนเท่าไหร่หรอกแปลว่าคนสําคัญของโลกเท่านั้นเองเพันถามว่าแล้วเราจะให้ความสําคัญเออก็จะใช้สิท ธ, ธะก็แล้กันก็ก็รู้ได้เท่านั้นนะพนันหนักๆเข้าเราจะไม่รู้พุทธคุณอะไรซากอย่างเลยนะไม่รู้พุทธคุณไม่รู้ว่าพระปุปพพัชจริยาคุณพระสรีระคุณพระคุณของพระองค์แล้วไม่รู้จักพระธรรมที่พระองค์สอน ไม่รู้จักความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยนะเราจะไม่รู้พระคุณของพระรตนตรตยแปลว่าถ้าเราไม่นับถือพระพุทธเจ้าแล้วเราจะคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นฐานะผู้ที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดถ้าเราไม่นับถือคนที่บริสุทธิ์ที่สุดแปลว่าเราไปนับถือใครก็แปลว่าไปนับถือคนที่ไม่บริสุทธิ์กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเราก็เป็นไปตาม เป็นไปตามนั้นเนี่ยนะเป็นไปตามนั้นอย่างสมัยนี้เขาบอกว่าทำไมเด็กจึงโหดร้ายดุร้ายก็เพราะเด็กเนี่ยมีบุรุษในดวงใจของเขาคือคนที่เยี่ยมที่สุด น, นะคนที่เขาเรียกว่าฆ่าแบบไม่กระพริบตาเนี่ยนะฆ่าได้เท่าไหร่ก็มีความสุขในการเข็นการฆ่าเท่านั้นเขามีความสุขที่สุดฉันใดนะครับ มันก็อะไรนะเามองเห็นไฟนรกแหมมันหมนมันสะใจมีความสุขมากเหมือนกับเดินออกมาจากไฟได้อะไรได้ฉันใดนี่เด็กยุคใหม่นั่นคือศาสดาของเขาศ า, า, า, าสดาของเขาคือผู้ที่แบกปืนแบกอาวุธนะใครที่สร้างความชีพหายให้กันโลกที่สุดนั่นคือศาสดาของเขาเขานับถือพวกนั้นก็แปลว่านับถือศาสนาปานาธิบาสนับถือศาสนา อภินาทานนับถือศาสนาการเมสุมิจฉาจารย์นับถือาศาสนามุสมาวาทนับถือา ศ, าศ า, านอสาศนาสุราและเมรไรเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้มันนับถือกลุ่มเนี่ยนับถือรับที่เหล่านี้ที่บูชาความชั่วร้ายเหล่านั้นแล้วพบน่าจะไปไหนเนี่ยนะถ้ามองกันธรรมดาธรรมดาใกล้ๆสายตาสั้นๆมันก็ไม่น่าจะอันตรายเท่าไหร่แต่ถ้ามองด้วยสายตายาวเป็นเป็นหนึ่งชาติสองชาติสิบยี่สิบสี่สิบห้าสิบชาติร้อยชาติ พันชาติหมื่นชาติแสนชาติหลายๆแสนชาติตลอดสังวตตกับวิวัตกับเป็นอันมากตลอดหลายสังวัตตกับวิวัตกับถ้ามองกันเป็นอาสงไข์อสงไข์ายหลายสิบหลายหล า, ายร้อยอสงไข์ไปแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าไม่รู้สักอย่างเดียวมันก็สบายดีเหมือนกันนะปิดตาสักอย่างเดียวมันเหมือนรถมา้าลำปางเขาบอกว่าอย่าใช้ชีวิตคล้ายๆม้าที่ลําปางเขาบอกงั้น ทำยังไงอ่ะก็ก็ปิดตาให้มันเห็นแค่ทางที่มันเดินมันไม่ต้องเห็นหรอกข้างหน้ามันจะได้มันจะกลวงเลถ้าหากว่ามันเห็นจริงมันไม่ไปหรอกนะเขาก็เลยปิดตาให้มันมองแค่ที่ก้าวเท้าของมันข้างหน้าแค่นั้นอ่ะถามว่าดีใจไหมที่เราจะถูกปกปิดขนาดนั้นา็ไม่เอานะเพราะว่าเรารู้啦ชีวิตข้างหน้ามันไม่ได้โสภาสถาพรอย่างที่เราต้องการรอกเนี่ยนะตั้งใจให้ดีเธอเรานี่แก่วันนี้ทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เห็นเอยู่แล้วใช่ไหม เขาบอกว่าร่างกายถ้าเรารักษาไม่ดีหาอาหารผิดผิดหายาผิดผิดมาใส่ร่างกายอนาคตเป็นยังไงอนัมญาก็ไม่ถูกหมายความไม่เหมาะสมเลยนะเป็นยาที่มีโทษเป็นยาพิษอาหารก็เป็นอาหารที่เป็นพิษใช้ชีวิตอิริยาบดก็ไม่เหมาะสมร่างกายอนาคตเป็นยังไงรับแต่เชื้อตลอดเวลาเนี่ยนะเดือดร้อนฉันใดถ้าใจของเรารับแต่เชื้อบาปเชื้ออากุศลเชื้อที่ฟุง้งซ่านเชื้อที่เป็นมิจฉาทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะ ชิดหรือว่าชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงแล้วโลกนี้มันอันตรายมันเยอะขนาดนั้นท่านบอกว่าท่านคือพระอัฏฐกถาจารย์เป็นต้นท่านบอกเลยว่าโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายนะมันเป็นอุปสรรคขัดขวางในการทำความดีอย่างเต็มที่มันก็อันตรายมากนั้น